นึกไม่ออกหนาว่ า, าจะเรียนอะไรกันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะเราไปปลุมขึ้นมาเองทั้งหมดแหละโลกนี้โดยตัวของมันนะว่างเปล่าไม่มีอะไรถ้าเราเข้าใจเรากระทัเป็นอันเดียวกันนะเห็นนะมโลกนี้ไม่มีอะไรว่างตัวเราก็ไม่มี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 ตัวเราก็ไม่มีเมส่วนหนึ่งของโลกโลกก็มีแต่ไม่มีอะไรอย่างนี้ใจอยู่กระทำในัันเดียวกระทำมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมันไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามอะไรสักนิดเดียวสบายสบายมากนะ <c oughs> แต่ก่อนร น, น้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตรัสรูส้ขึ้นมาแล้วนี่ก็เห็นโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไร ไม่รู้จะบัญญัติอะไรขึ้นมานั่นเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะอยู่เฉยเฉยสบายกว่าพระพุทธเจ้าลำบากในการบัญญัติสิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นมาต้องบัญญัติสิ่งที่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเงรี้ยให้มันมีขึ้นมาเพื่อจะเอามาพูดสร้างบัญญัติขึ้นมา งั้นบัญญัติสังเกตให้ดีเวลาท่านพูดถึงธรรมแท้ๆบัญญัติของท่านจะเป็นเชิงปฏิเสธว่างไม่มี เ, เนี่ยรเี้ยว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนอันนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างน้้นก็ไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรสักอย่างก็ไม่ใช่อีกนะทรามามจะออกออกพูดออกมาแล้วมันจะเป็นเชิงปฏิเสธนี่พอปฏิเสธพอคนฟังเนี่ยฟังด้วยใจที่มีมิจฉาทิฏฐิ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 เนการใช้ธาตุใช้ขันธ์ทงานเมนะืนก่อนเนอะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ฟังธรรมะที่สะใจมานานแนละ้วนะธรรมะที่สะใจทั้งสุดท้ายที่ได้ยินนะคือหลวงพ่อคาเขียนไปหาท่านไปเยี่ยมท่านไม่สบายเมื่อเดินพุษธศจิกาท่านบอกโอ๊ยผมไม่มีอะไรแล้วผมอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรหรอกนะโอ้สะใจนะสะใจจริงๆ จริงๆเราอยู่กับความไม่มีไม่เป็นแต่ความสําคัญม่นหมายของเราเพราะความเห็นผิดนะสําคัญว่ามันมีมันเป็นขึ้นมามันมีเรามีเขาขึ้นมา่าเราจะข้ามทิฏฐิที่ว่ามันมีเรามีเขาขึ้นมาได้นี่นะข้ามยากอันนี้เป็นทะเลหรือเป็นมหาสมุทรอันแรกนะของผู้ปฏิบัติเรียกว่าโอเคะโอเคะว่าพ่วงน้ำพ่วงมหาสมุทรอนะไรยงี้ มหาสมุทรในโลกมันมีกี่อันจำไม่ได้แล้วเคยเรียนแต่มหาสมุทรในการปฏิบัตินี่มีสี่อันนะต้องข้ามให้ได้ให้หมดเลยมีทะเลอยู่สี่ทะเลถ้าข้ามได้หมดก็จะเอาตัวรอดได้มหาสมุทรอันแรกเลยทิฏฐิือทะเลคือทิฏฐิคือความเห็นผิดของเรานี่แหละเราไปเห็นผิดในของที่ไม่มีตัวมีตนว่ามีตัวมีตนขึ้นมา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 พวกพระโพธิสัตว์ก็เถียงไม่จริงหรอกพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้านี่เรียบเลยราบเรียบไปหมดเลยไม่มีความเป็นรุ่มเป็นดอนคือไม่มีอะไรสะดุดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนได้เลยมันว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรจริงนี่ก็แต่งเกินไปภาษาริบุตรไม่ได้โง่ขนาดนะั้นหรอกนะสาวกรุ่นหลังๆภาวนาไปยังเห็นโลกว่างได้เลยในภาษาริบุตรท่านจะไม่เห็น มิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งแรกที่พวกเราต้องภาวนาแล้วก็ข้ามมันให้ได้คือเราสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราไปแบ่งแยกสมบัติของโลกส่วนหนึ่งออกมาเป็นตัวเราขึ้นมาส่วนที่เหลือมันก็เป็นคนอื่นเป็นสิ่งอื่นๆเป็นสิ่งที่แวดล้อมอยู่ไปแบ่งตัวเองออกมาสาคัญมั่นหมายว่ามีว่าเป็นเป็นโน่นเป็นนี่เลยนะเป็นใหญ่เป็นโต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 ข้ามได้แค่ริมทะเลทเทียทเท่ยวเที่ยวอะอย่างนี้จะข้ามทิฐิตัวนี้ได้เนี่ยนะต้องมีสติมีปัญญามีสัมมาสมาธิมีสติรู้ลงมาในกายในใจนี่มีใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิสักว่ารู้สักว่าดนะูเวลาดูกายมันจะรู้สึกเหมือนว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง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 ก็พูดไปอย่างนั้นแหละทะเลการมข้ามยากข้ามยากต้องรู้ลงมาอีกรู้ลงมาในกายในใจเนี่ยนะมากๆจนวันใดเห็นวนะ่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเห็นอย่างนีนะ้มันจะหมดความเพลิดเพลินยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพอะทั้งหลายหมดความติดอกติดใจในกรรมอาคุณทั้งหลายมันหมดของมันเองนะถ้ามันเห็นไนอะตัวนี้ยังสังเกตไหม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 เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนี่จะข้ามภพข้ามชาติได้ก็ต้องละตัณหาได้นี่ตัณหาเกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากอาวิชานี่ทะเลตัวสุดท้ายนีย่ข้ามยากที่สุดถ้าข้ามตัวนี้ได้นะก็จะหลุดจากไอ้น้ำเชี่ยวนี้ได้ด้วยอวิชาเหมือนทะเลหมอกน้ำสงบนะไม่มีคลื่นไม่มีลมสบายๆแต่เหมือนมันหมอกปกคลุมจนไม่รู้อะไรเลย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 เกิดวิชาทิฏฐิได้เรื่อยๆนะถ้าไม่ใช่พระนาคาเนยะก็หลงไปในกามได้อีกนะงั้นแล้วมันพร้อมจะถอยหลังได้ น, ะนี่จะมียวิชาจะล่ า, าวิชาได้นะต้องรู้อริยสัจ ร, รู้ลงมานะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยพวกเรามีแต่อวิชชาเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่อวิชชานะอวิชชาพาให้เห็น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 กระกายหาอยอีกจับได้ปั๊บหลุดมือไปอีกแล้วอยางตลอดชีวิตเลยเดินทางในสังสารวัตรนะข้าพบข้ามชาติไม่ได้ข้ามมาหาสมุทรสี่อันนี้ไม่ได้ก็ข้าพบข้ามชาติไม่ได้ดงนั้นตั้งอกตั้งใจนะนแรกต่อสู้กับมิจฉาทิฏฐิของตัวเองก่อนทะเลอันที่หนึ่งมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆวิธีจะดูให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาว่าตัวเราไม่มี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 หลังจากนั้นสิ่งที่หอ่อหุ้มปิดบังธาตุรู้ไว้จะถูกแหวกถูกทำลายออกชั่วขณะจะแวกออกจิตที่เป็นอิสระล้วนๆเลยที่สัมผัสกับธรรมะคือนิพพานล้วนๆจะปรากฏขึ้นมาเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมานะตรงนี้ไม่มีคำพูดนะแวบเดียวเองแต่มีสติมีสมาธิมีปัญญามีอะไรพร้อมอยู่ตรงนี้เลย พอถอยออกมากลับมาสู่โลกภายนอกนี่จิตจะทวนกลับเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันจะรู้เลยว่าโอ้เมื่อกี้เกิดอรอยิยมรรคขึ้นแล้วสังโยชน์เบื้องต้นถูกละไปละความเห็นผิดถูกละไปละกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราดูยังไงก็ไม่เป็นเราอีกต่อไปล้วจะละความเห็นผิดได้จะหมดความลังเลสงสัยในคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรายัางลังเลรู้สึกไหม ฝ, ฝึกไปช่วงหนึ่งเออจริงไม่จริงว่าจริงไม่จริงว่าอันนั้นเป็นธรรมชาตินะต้องมีไม่ต้องแกล้งทำเป็นไม่มีหรือเรา้าเคยงมงายว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะดีปฏิบัติแล้วจะดีต้องทำอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีจะหมดความงมงายอันนี้เลยรู้แต่ว่ามีแต่การเจริญสติรู้กายรู้ใจทางสายเดียวทางสายเอกมีอันนี้อันเดียวไม่มีอันอื่นอีกแล้วพระโสดาบันละสิ่งเหล่านี้ได้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 ที่บรรลุมรคผลนี่รวมแล้วมีจิตทั้งสี่สิบดวงเนะียนี่พวกเราเรารุ่นหลังๆนะเราเชื่อคําสอนของอาจารย์มากไปเราคิดว่าเวลาบรรลุมรคผลนี่พ่านจิต ด, ดับรูบลรไปหมดสติพอรู้สึกตัวขึ้นใหม่บอกบรรลุไปแล้วตรงที่จิต ด, ดับลงไปนั้นคืออาศัญญสัตตาภูมิคือพรหมลูกฟักนะมีองค์หนึ่งท่านเล่นไม่กี่วันเลยเนี่ยท่านอนุสรเนี่ยเราลเล่นๆท่านนะดับปั๊บเลยแล้วถ้ารู้ว่าไม่ใช่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 อยู่กับความไม่มีอยู่กับความไม่เป็นอะไรนี่ฟังของหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดท่านอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอส่าใจถ้าคนมาเล่าว่ า, วาเนี่ยจิตเป็นอย่างนี้แล้วไปอยู่ตรงนี้นะฟังแล้วไม่สะใจฟังแล้วเอียนเอียนนะฝึกเอานะศาสนายังไม่ใช่สูญหายไปแต่เรียนให้ดีเรียนคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีอย่าเชื่ออาจารย์มากเกินไป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 วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อเอาความสงบอย่างเดียวแต่เพื่อหัดรู้สภาวะวันใดจิตใจฟุ้งซ่านเรารู้อารมณ์กรรมฐานเพื่อให้สงบวันใดจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเรารู้อารมณ์กรรมฐานานั้นๆเพื่อหัดรู้สภาวะเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนะี่ยรู้ไปเล่นๆอย่าบังคับให้ใจซึมๆทื่อๆนะของคุณไปบังคับแล้วอย่าบังคับรู้เฉยๆดูด้วยใจที่โปรงๆดูด้วยใจที่สบายต้องต้องสบายนะจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นนะถึงจะแน่นๆ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 จิตหดหูรู้ว่าหดหูจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยจิตสงบจิตฟู้งร้างรู้ไปอย่างที่เขาเป็นแต่และอย่างตามดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราตามรู้ตามดูนะนี่สติตามดูไปเรื่อยนะใจตั้งมั่นอยู่อย่าถลําลงไปพวกเราเกือบร้อยละร้อยเวลาที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยจะกระโจนลงไปรู้ถลําลงไปรู้หน้าขมําในหัวทิ่มลงไปนะจะหน้าขม ำ, ำลงไปรู้เช่นดูท้องพังยุบเนี่ยใจถลําลงไปอยู่ที่ท้อง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 ฝึกน้าแล้ววันหนึ่งจะได้เห็นโลกว่างเปล่า <c oughs> เคยมีคนหนึ่งชื่อโมกราชโมกราชเป็นลูกศิษย์พรามภาวรีพามภาวรีเนี่ยเป็นพราหมใหญ่สมัยพุทธกาลมีลูกศิษย์เอกอยู่สิบหกคนนี้พอพราหมภาวรีได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็เลยส่งลูกศิษย์สิบหกคน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 บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนเราเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็นเราเคานองเนี้ยนะเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงยังมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ตอบท่านก็รอไปเดี๋ยวคนอื่นถามอีกนะแล้วท่านก็ถามแทรกอีกพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบนะจนถึงอันดับรองโลเลยท่านโมคราชก็บอกว่าเนี่ยผมถามมาสองครั้งนะนี่ครั้งที่สามแนละ้ว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 คำโลกไม่ได้แปลว่าโลกข้างนอกนี้นะคำว่าโลกในทางศาสนาพุทธนี่ยคือขันห้านั่นเองคือรูปกัะ น, นามคือกายกระใจเรล่านี้เองที่เรียกว่าโลกเเลยมีคมําำว่าโลกนี้ใช่ไหมยาวาอะไรนาน า, นาคืบกว้างศอบอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อต้องหลายสอกหน่อยเนี่ยโลกสิ่งที่ท่านเรียกว่าโลกก็คือกายกระใจ น, นั่นเอง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 อีกแป๊บเดียวรถทัวร์เข้ามาหลายคันเลยท่าอ๋อหนีห้องนี้เองพวอนี้มาถึงก็จะอ้าเป่ากระมอมเป่ากระมอม <c oughs> ให้คนอายุกเกือบร้อยปีเป่าร้อยคนก็ตายแล้วนะ <c oughs> ไม่ได้เมาท ร, รมั๊ยเนี่ยมาเอาเฮงเ <c oughs> พราะเราชาวพุทธเฮงต้องเฮงด้วยตัวเองนะ <c oughs> นอกากนั้นคือโดนหลอกไปซื้ออันนี้มาห้อยแม่ขลัง เฮงมันจะเฮงอะไรนักหนามันเฮงให้คนทําขายนั่นแหละว่าไงคุณวนว่าไงมันจะรบกวนหลวงพ่อช่วยเข็นควายอีกรอบนึงได้ไหมคะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดตรงที่แบบว่าเอพระองค์ที่ถามว่ามัจจุราชไม่เห็นใช่ไหมคะเสร็จ แ, แล้วหลวงพ่อก็กําลังจะวนให้อีกรอบหนึง้วหลวงพ่อก็จบอะค่ะหลวงพ่อมามาโผลให้หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเจะเห็นโลกอย่างนี้ได้ในว่างเปล่าได้ต้อง ต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงก่อนแล้วหลวงพ่อทํำท่าจะต่ออีกรอบหลวงพ่อหยุดเลยออหยุดเพราะว่าพูดไปหมดแล้วใช่เห็นโลกตามความเป็นจริงเขาต้องมีสติไงใช่นะกําลังจะวนอีกรอบวนก็กะรออีกรอบมีสติมีสัมมาสมาธินะไม่ใช่เทปนะในวนไปวนมา <c oughs> จบแล้วจบเลยใครฟังเอาเองมีซีดีเยอะแยะเดี๋ยววันนี้ให้โยเอาไปลงนะ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 ไม่ใช่นั่งภาวนาไปเกิดอะไรบุบบุบวาบวาบนั้นบอกบรรลุแล้วพอ บ, บรรลุแล้วก็มาหาหลวงพ่อนะจะให้หลวงพ่อรับรองให้ส่วนมากถูกฆาตกรรมกลับไปหมดเลยน้อยรายนะที่จะรอดเพราะเราชอบเนื้เอเองไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเก่งอะไรนะหลวงพ่อก็ถามเจ้าตัวเองอะว่ายัางรู้สึกไหมมีเราอยู่คือถ้าเป็นพระโสดาบันนะั้มันจะไม่มีเราล้ว บอกเป็นพระโสดาบันพระนาคานะตัวเรานี้ยังเข้มข้นอยู่เนี่ยความรู้สึกว่ามีเราอนี้ยังเข้มข้นอยู่ในจิตในใจเนี่ไม่ใช่ของจริงหรอกนี่เห็นแค่นี้ก็เห็นแล้วมันกิเลสนั่นแหละสักยทติจิตมันยังไม่ขาดแค่นี้ก็รู้ว่าไม่ใช่อย่าเชื่อง่ายนะค่อยรู้ค่อยดูค่อยสังเกตซ้ําแล้วซ้ําอีกสภาวะทำอะไรเกิดขึ้นคอยสังเกตซ้ําแล้วซ้ําอีกหลวงพ่อนะั้นเป็นคนที่เดินด้วยความระมัดระวัง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 เอาเหลืออีกสามสี่นาทีเอาเดี๋ยววันนี้อากุศลจะให้ผลหลวงพ่อด้วยหมอจะมาจับฉีดยาอีกแล้วเอาใครจะถามเชิญมีไหมได้สักคนสองคนน่ะครับน้ำมการหลวงพ่อครับเพิ่งเพิ่งมาเออยกใหม่เออไม่ต้องเออยังเพิ่งมามีโอกาสฟังหลวงพ่อครั้งนี้ครั้งที่สามเคยไปฟังที่สาราหลวงชินมาก่อนนะครับแล้วก็ฟังซีดีมาบ้าง อนนี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจะมีอุบายอะไรที่ทําให้จิตมันไม่ถลําลงไปเพ่งเวลาให้รู้ทันมันนะไม่มีอะไรเกินจากการรู้ตามความเป็นจริงอุบายไม่สําคัญอะ่ะให้รู้ตรงความเป็นจริงสําคัญกว่าการที่จิตเราถลําลงไปเพ่งแท้จริงมันก็ไม่ได้เพ่งของมันเองแต่เราฝึกเพ่งมาหลองคุณติดเพ่งนี่จิตมันจะถลําดูออกแล้วใช่ไหมจะถลําลงไปเพ่งถ้าดูออกแล้วไม่ค่อยมีปัญหาละอย่าอยากหาย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 เพาตอนที่หลงเนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่เพ่งมันไม่ใช่อกุศลนะเพ่งนจิตมันพยายามทํากุศลมันอยากปฏิบัติทำเพราะงะั้นพอสติเกิด น, นะจิตที่เพ่งอยู่ไม่จําเป็นต้องดับนะแต่จิตที่เผลอเนี่ยเป็นอกุศลทันทีที่สติเกิด น, นะจะดับทันทีนะคนละสไตล์กันอันนึงเป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเผลอไปเนี่ยอันนึงเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลการเพ่งไว้ กามาสุขาริการนุโยค ก, การเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปนั่นเองเป็นอกุศลอัตตากริมัฏฐานุโยกการบังคับกายบังคับใจเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลแต่สุดโต๊ะสองข้างใช้ไม่ได้ทั้งคู่นะทั้งดีทั้งชั่วติดทั้งสองข้างเนี่ยติดฝั่งสองฝั่งสฝั่งนะฝั่งซ้งงายฝั่งขวาของคุณมันติดฝั่งเพ่งฝั่งประครอง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 เสียเวลาขอคุณบังคับเยอะไปลดความจงใจปฏิบัติลงใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาถือศีลห้าแล้วใช้ชีวิตธรรมดาแล้วจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็ค่อยตามรู้เอานะลดการทำในรูปแบบลงนิดนึงได้แค่นี้โยมเชิญไปพดทกวันหมดแรงทีแรกหลวงพอ่อกให้โยทาซีดีเพื่อว่าโยมจะได้ฟังแล้วไม่มานะ